พระไตรปิฎกเล่มที่สิหสังยุตตนิกายสัขาทวักเป็นสุดตันตปิฎกเล่มที่เจ็ดสำหรับพระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าถึงเล่มที่19นี้เป็นหมวดประมวลเรื่องต่างๆไว้เป็นหมวดหมู่เล่มที่สิบห้าสังยุตตนิกายสัขาทวรักหมายความว่าทุกสูตรในเล่มนี้ซึ่งรวมมี271สูตร เป็นสูตรที่มีคถ า, าหรือคำสอนอันเป็นบทกวีคำว่าสคาทวรคคือวัคที่มีคถ า, าจึงเป็นชื่อของเล่มที่สิบห้านี้รวมทั้งเล่มถือเป็นหนึ่งวัคใหญ่สังยุตคือการรวมเรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนวัคเล็กรวมสูตรประมาณ10สูตรต่อหนึ่งวัค เล่มที่15สังยุตตนิกายสักขาทวักเป็นการประมวลคาถาหรือบทกวีที่เป็นทั้งคำถามและคำตอบสำหรับเรื่องของคาถาในพระสูตรนี้ทั้งหมดเดิมเป็นภาษาบาลีที่มีความสละสลวยในเชิงบทกวีนะครับแต่เมื่อแปลเป็นไทยแล้วเมื่ออ่านหรือฟังแล้วก็อาจจะคิดว่าไม่ค่อยเหมือนกวีเท่าไหร่ เป็นธรรมดาของการแปลจากภาษาอื่นมาเป็นภาษาไทยนะครับทั้งการแปลสำนวนหลายอย่างที่อาจแปลได้ใกล้เคียงเท่านั้นคล้ายกับสำนวนสุภาษิตของไทยนะครับหากแปลเป็นภาษาต่างชาติก็คงไม่อาจเข้าใจได้เท่ากับคนไทยพูดและเข้าใจกันเองสาระสำคัญของคำสอนในเล่มที่15นี้อยู่ที่ภาษิตสั้นๆมีความหมายลึกซึ้งจับใจ เป็นประเด็นที่ควรนำมาสนใจมากกว่าเรื่องที่จะให้ติดในเรื่องเอวดาหรือมารรม